ขอร้องๆต่คุณพัฒน์นาฏไรขอการเพื่อนสามิกทุกท่านจเจริญธรรมม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายๆเนะอะก็เอสวัสดีปีใหม่ <c oughs> วันนี้ก็วันที่สามแล้วเนาะอืมท้งนี้ก็คนเยอะนะเห็นว่าคนเยอะอยู่มาร่วมการสวดมนต์ข้ามปีเนะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า <c oughs> มันก็เราเราก็สวนกระแสนะทวนกระแสทั้งโลกเนี่นะ ทางโลกก็ไปไปเที่ยวไปสนุกสนานกันนะอย่างคืนวันนี้สามก็น่าจะมีการเลี้ยงฉันหลงหรือไม่กระัดงานลื่นเริงต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมมันมันมันมีน้อยมากที่ว่าจะมาอ่าเปิดมนต์ข้ามปีหรือเปิบัติธรรมข้ามไปีอะไรเนี้ยน้อยนะอันนี้ก็สวนกระแสโลก ก, ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นจริงๆแล้วดีมากเพราะว่าทางโลกมันมันไหลไปตามกิเลสเนาะไหลไปตามกิเลส มันมั น, ม น, มนคนเราก็มีกิเลสอยู่แล้วแต่เราก็ไปเพิ่มเพิ่มพูนมันนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักสแสดงมันก็ทําให้คนเขามีความสุขอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มาถามพุทธเจ้าว่าเอตอนเองเป็นนักสแสดงทําให้คนเขาหัวเราะสนุกสนานต่างๆเร า, าเนี่ยอันนี้ตายไปเราจะไปไปเกิดเป็นอะไรคือมีภพภูมิอะไรคือตัวก็คง คิดว่าน่าจะเป็นในทางที่ดีนะเพราะทำให้คนเขามีความสุขอะไรเงี้ยถามพระเจ้าก็ไม่ตอบนะถามครั้งที่สองก็ไม่ตอบถามครั้งที่สามจึงตอบเพราะจริ ง, รงๆพระเจ้าก็ก็ไม่อยากจะตอบหรอกเพราะเดี๋ยวจะทําให้เขาอจะเสียใจนะบอกว่าเนี่ยก็คือคติก็คือไปลงนรกนั่นเองนะทําไมไปลงนรกเพราะว่าคนก็กมีกิเลส อ, อยู่แล้วแต่ว่า Uh, เราก็เพิ่มกิเลสเขา้าให้มาไปทําให้เขาปรุงแต่งในใจเขาต่างๆแล้วเนี่ยให้เขาสุขบ้างทุกบ้างเกิดความโลภความโกรธความหลงบ้างอะไรเนี่ยเยอะแย ะ, ยะเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างคนคนรุ่นก่อนนะรุ่นรุ่นพ่อรุ่นปู่นเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่อยากให้ลูกไปเต้นกินลำกินเขาบอกอย่าไป <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเป็นกินลำกินไม่ดีเขามเลยเขาลังเกียจ อ, อาชีพประเภทยอย่างนี้นะั่นแหละสมัยก่อนนะก็ไม่ชอบ แต่เ น, นี้โอ้ใครได้เป็นดาราเป็นนักสแสดงเป็นนักร้องเนี่ยรูึกว่ามันมันดังนะคนมีชื่อเสียงเร็วนะใครใครรู้จักอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นว่าความนิยมคือวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ความนิยมอายุยันดับหนึ่งก็อยากจะเป็นดาราเป็นนักสแสดงนักร้องอเป็นอะไรพิธีกรโทรทัศน์อะไรเนี่ยในเป็นความฝันของของเขากันนะอ่ามันมันก็เลยเปลี่ยนยุคไป เพราะนั้นเดนี่ก็เลยมีอะไรเยอะๆที่มันกล้าแสดงออกมันะเด็กสมัยใหม่หมก็กล้าแสดงออกสมัยสมัยก่อนนะสมัยอาตมายังเป็นนักเรียนอยู่ผู้ชายก็เพียงยิงไม่ไม่ให้กล้าพูดกันหรอกขนาดนั่งใกล้ๆกันก็ยังไม่กล้าพูดกันเลยอะไรเงี้ยแต่เดนนี่บางทีก็เห็นไปเดินเที่ยวกันสองร้อสองอะไรเงี้ยนักเรียนอะไรเงี้ย่ชุดนักเรียนก็ก็ยังกล้าแสดงออกนะคือมันมันกล้าแดงมากกว่าสมัยก่อนเนาะโลกก็เปลี่ยนไปมันก็ เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามันมันทําอะไรแบบตามสบายตามใจตัวเองแล้วก็ไหลไปตามกระแสะโลกนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันมันไหลไปมันดีหรือไม่ดีแต่ก็ปล่อยให้ไหลไปใช่ไหมยังปีใหม่เห็นว่านะ่าจะคนตายกันเยอะนะตายกันเยอะคณะตายกันเท่บ่ทําไมของเราเนี่ตายเยอะขนาดนั้นปีใหม่อะไรเงี้ยส่วนนี้ก็คือคนกินเหล้ากันนั่นเองนะกินเหล้ากันแล้วก็ มันก็จริงๆเมาก็ไม่รู้เมาอ่ะนะมันก็ถ้ามันเมาจริงๆมันก็ไม่ขับแหละมันก็มันก็ขับไม่ไหวแต่ถ้ามันเมามันก็ยังไม่รู้วนเมาคือบางคนก็บอกว่าผมไม่เมาผมไม่เมาแต่เขาไม่รู้มันคงเมาไงบอกให้เดินให้ตรงเด็ก็เดินไม่ตรงนหละแต่เขาก็ไม่รู้เขาไม่เไม่เมาเอ้เขารู้ว่าเขาไม่เมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเมานี่ยให้เดินตรงก็เดินไม่ตรงเนี่ยเพราะคนบางทีเมาก็ไม่รู้เมานี่มันอันตราย เมาจริงๆ ม, มันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมแล้วก็เกิดบิเหตุกันเยอะนะเพราะว่าไม่รู้ตัวก็สาเหตุจากความที่เราว่าคนเราเนี่ยประมาทใช่ไห ม, มแต่ถ้าเราสวนกระแสโลกแล้วเราก็กลับมาในาที่เมื่อกี้ที่พระอาจารย์สมใจก็นําเราสวนโอวาทไปริมโมกใช่ไหมอันนี้ก็คือจริงๆแล้วพระเจ้าก็ให้เราดําเนินในตามแนวเนี้ยนะคือวลาถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยก็ให้ดําเนินไปในคนทางนี้ก็คือ าการไม่ทําบาปทั้งกลวงาการหมั่นธัมุมโซนให้ถึงพร้อมการทําใจให้ให้ถึงซึ่งความบโปร่งใสนะให้ให้กิเลสเจือจางลงนี่แหละอันนี้คนขนทางของพระศาสนาเนาะแต่จริงๆแล้วหัวใจจริงๆอยู่ตรงไหนนะอย่างการาการทำความดีการไม่ทําบาปเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะคือคนศาสนาอินทร์คั ม, มนะีการให้ทาน <c oughs> รักษาศีลเนี่ยก็เหมือนกันนะศาสนาอินทรมีหมด แ ต, แต่ที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นก็คือการที่เราทําใจให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธินี่แหละแือการทําจิตให้ข่าวรอบเนี่ยศาสนาอื่นก็ไม่มีนะอะย่างศาสนาทั่ ว, วไปเขก็เหมือนกันให้ทําความดีทําความดีเพื่อไปขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะทําความดีก็ได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ยังยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกนะยังยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกเพราะว่ขึ้นสวรรค์ของชาวพุทธก็ขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหม หรือไม่จะเป็นพรมก็ยังได้เลยเนาะครั้นี้ก็อันนั้นก็มันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่ว่าเราเคยทํามาแล้วเราก็ไปไปใช้ไปเบิกบุญมามามาใช่เนหะมือนะครับฝากธนาคารเอาไว้นะแล้วเราก็ไปเบิกธนาคารมาใช้เรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปนะคนเราไม่ว่าทําความดีแต่ว่าทําความดีความชั่วด้วยเมื่อบุญหมดไปนะาบางทีขึ้นตะวันแล้วบุญลดลงไปหมดไป ขึ้นชั้นพรมแล้วบางทีชาญก็ค่อยๆหมดไปหรือเสื่อมไปน้อยไปก็ก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนาะกลับมาจะเกิดเป็นมนุษย์นะหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงชานเปรตสุรกายสัตว์โลกเนี่ยก็เป็นไปตามวิบากกรรมที่คนเคยสร้างมามันก็ไม่พ้นทุกข์ในชะ่ไหมเพราะฉะนั้นสารนัอื่นจริงๆเขก็เป็นการอย่างเนี้นะแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์แล้วก็ขึ้นตลอดกาลนานเลยเลยไหนเนาะ แต่ว่าในพุทธาสนานนี่ก็ดีว่าเราเราไม่ได้ไปติดนะต้องเป็นต้องขึ้นสวรรค์ต้องไปเป็นโพรหมอันั้นมันไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางแหง่งการพ้นทุกข์คืออาถึงพระนิพพานก็คือทําชําระใจของเราเนี่ยให้ข่าวล้อมให้กิเลสของเราเนี่ยหมดไปเนาะถ้ากิเลสไม่หมดแล้วก็ต้องเบียวดใบตายเกิด น, นะเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นี่แหละที่ว่าสูงสักยี่สาเดีมตรนะี่ยเกิดจะกมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวแต่มันยังมีเชื้ออยู่นะเชื้ อ, อะ พอตกไปในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์มก็เติบโตเป็น ต, ต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดใจของเราที่ยังมีเชื้ อ, อกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดฉันนั้นเพราะมันยังมีเชื้ออยู่มันยังไม่หมดนะอันนี้มันเลยว่าต้อ ง, ต, องต้องมาชําระใจเราใช่ไหมว่าเราก็จึงสวง ก, ก, กระแสโลกกระแสโลภก็ไหลตามความโลภความโกรธความหลงแต่เราต้องชําระเรามาทวนกระแสว่าเออเราก็ต้องให้มันลดลง ครนะา้นี้เราจะลดลงได้อย่างไรนะก็คือการรู้ทันนั่นเองใช่ไหมคือคนเราเนี่ยที่มีกิเลสเนี่ยมันเพราะว่าเขารู้ไม่ทันหรือแม้แต่รู้ทันเขาก็เขาก็ไหลไปใช่ไหมเมื่อคนเมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาว่าเขาเมาแล้วก็นะไม่รู้ไม่รู้ว่าเมามันก็เลยมีอันตรายเกิดปัญหาแต่ว่าเขารู้เขาเมาเขาก็ไม่ขับหลอกใช่ไหมกฎหมายมันแรงนะแต่ว่าไอ้อันตรายคือเขาไม่รู้เขาเมาทั้งที่เขาเมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเมา เพราะคนเราที่มีกิเลสนั่นแหละมีความโลภความโกรธความหลงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขามีกิเลสแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเออมันมันอันตรายขนาดไหนเนี่ยก็คือความไม่รู้ของคนมันมันอันตรายใช่ไหมแต่ถ้าใจเราเออเราสามารถรู้ได้ไหมเราเราโกรธเรารู้ไหมคือจริงๆแล้วตรงนี้คนไม่ปฏิบัติก็รู้นะเขาโกรธเขาก็รู้นะโกรธก็รู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะทํำยังไงต่ อ, อ, อโกรธแล้วเออมันก็ดีเหมือนกันนะ ด่าไปซะเลยหรือคนนี้ลูกน้องเราทําไม่ดีเราก็โกรธซะเลยเขาจะได้กลัวเราหรือลูกเราอถ้าเราเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไม่กลัวแล้วก็โกรธซะเลยด่าซะเลยว่าซะเลยอะไรเงี้ยคือมันที่เขากโกรธแต่เข า, เข า, เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไม่รู้ว่ามันมันดีกัไม่ดีก็ก็ไหลไปเลยตามนั้นเลยนะแต่เราเรารู้แล้วเออมันมันไม่ดีนะความโกรธมันไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วแล้วก็รู้ทันมันนะรู้ทันมัน เนี่ยมันก ba ็เลยลดน้อยลงเบาลงเพราะเรารู้ว่ามันมันไม่ดีนั่นเองนะเพราะบางทีเราว่าเออสิ่งต่างๆที่มันดีไม่ดีมันก็ต้องรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้นี่มันก็ตรายเพราะฉนั้นมันมันก็ทําความชั่วได้ง่ายเมืออมาห่อรสพเนี่ยอคนก็จริงๆหรือแม้แต่ตามวัดรเขาก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันมันมันไม่ดียังไงแต่บางทีก็เจัดงานมห่อศพอ่าต่างๆกันอ่าในในช่วงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เขารู้เขาก็ไม่จัดนะอย่างวัดเราก็รู้มันไม่ดีเราก็เราก็ไม่จัดนะอันนี้มันจึงว่าเราต้องรู้ก่อนเอสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเมื่อรู้แล้วมันก็สามารถที่จะรักับระงับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นากิเลสทั้งหลายในใจเราก็ต้องรู้ก่อนนะมันเป็นสิ่งไม่ดีน่ะความโกรธความโลภความหลงมันไม่ดีมันไม่ดีอย่างไรนะมันไม่ดีก็คือในในชาตินี้เราก็มีความทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าเรายังปล่อยมันอยู่ในใจเรามันก็มันก็เป็นหัวเชื้อ ไวเชื้อที่เราต้องไปเปบียนใาไตเกิดอีกนะนับภพนับชาติไม่ท่วนนะนี่มันมันน่ากลัวตรงนี้อาการที่ต้องไปเปบียนใาไตเกิดเนะาะพอถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็อ่าเมื่อรู้ทันแล้วก็ต้องอ่าเขาก็ลดน้อยลงไปเบาลงไปจางหายไปคลายไปเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากใช่มเนี่ยครั้นี้ถ้าเรารู้ทัน บ, บ่อยๆมันก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆครั้นี้มันจะลดแต่ยังไงก็เขาเกิดจากการเรารู้ทันนะ รู้ทันได้อย่างไรก็เกิดจาสตินี่แหละเนาะการที่เรามาฝึกรู้สึกตัว <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคูแขนเดียดแขนอะไรเนี่ยอันนี้ก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะเดินรู้ไม่ว่าเราเดินที่มะพระเจ้าบอกว่าให้เดินก็รู้ว่าเดินนั่งรู้นั่ ง, น, งนอนก็รู้นอนเหี้บหมดใหญนะ่กลับมารู้สึกตัวแล้วนี่แหละไม่ต้องไปรู้ที่ไหน <c oughs> บางคนเราไปบัตรธรรมแล้วต้องไรู้นู่นรู้นี่เห็นนิมิตต่างๆม า, าเที่ยวนระกสวรรค์รู้รู้จิตใจคนนั้นเป็นเรื่องนอกตัวนะมันมันมันเป็นมันไม่ได้เป็นเหตุที่ว่ากลับมารู้ตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่าเรากลับมารู้ตัวเนี่ยมันมันจึงถูกต้องนะกลับมารู้ในบทใหญ่ๆนี่แหละเรารู้ไหมใช่ไหมปกติเราเดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเดินใช่ไหมถ้าคนไม่เคยไปบัตรธรรมเนี่ยเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยเดินเดินไม่รู้ว่าเดินหรอเดินก็ เดินด้วยความเคยชินนะเดินด้วยความเคยชินแล้วก็เดินไปก็คิดไปอีกะอดีตอนาคตจะไปทํางานทันไหมรถจะติดไหมเดืนนี้ไปเที่ยวไหนพุ่งนี้ไปกินอะไรดีเมื่อกี้ปิดน้าปิดไฟหรือ ย, ยังอะไรเงี้ยมันคิดไปเรื่อยนะฮมันเดินด้วยความเคยชินแล้วก็คิดด้วยความเคยชินอันนี้เขาเรียกว่าหลงไปนะเพราะนั้นพระเจ้าบอกให้กลับมารู้นะเดินให้รู้เดินไหมมันเป็นเรื่องง่ายๆมั้ยทำไมเราเดินเราไม่รู้เราเดินนะ เพราะว่าเราเดินด้ยวยความไม่รู้เดินด้ยวยความหลงนั่นเองนะมันก็เลยแก้กลับมาเท่านั้นเองว่าเออมันก็กลับมารู้เท่านั้นนะเมื่อมันรู้มันจึงไม่หลงใช่ไหมเพราะในชีวิตเราจริงๆมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือมันหลงหรือมันรู้ใช่ไหมถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงเก้าสิบอร์เซนะอาจจะรู้สักสิบเปอร์ซนาะอันเนี้ยก็คือกลับมารู้ให้เยอะเอนะเมื่อเรารู้เยอะเราก็จะหลงน้อยนะเมื่อเราหลงเราก็ไม่รู้เลยนะหลงเยอะก็รู้น้อยใช่ไหม เราก็ครูบาอาจารย์าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะแล้วก็เปลี่ยนไปกลับมารู้รู้ตรงไหนตอนแรกเราก็รู้ที่กายก่อนนะรู้ที่กายก่อนยนะยืนเดินนั่งนอนเ <c oughs> นาะต่อมาเราก็รู้ในบท ย, ออย่อต่างๆพระเจ้าก็บอกไว้ว่ า, หาเหลวซ้ายแลงขวาเดินหน้าถอยหลังคูแขนหเหยียดแขนอก้มเงยสงจีวรสังฆาติ ดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจเลปัสวาก็ให้รู้สึกตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนั้นนะก็คือรู้ในอิ บ, บทย่อยต่างๆเนอะกลับมารู้ในตรงนี้บ่อยๆเนอะคราวนี้เราก็ทักเข้าใจเราก็รู้ตอนไหนลงมาที่บว่าให้รู้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะไม่ใช่ว่าเออเวลานี้เวลาไปบัตรนะเวลานี้เวลาพักถ้าเวลามันเปลี่ยนเป็น2 อ, อย่างนี่มันก็คือมันมันก็หลงมากกว่ารู้ใช่ไหมเพราะเวลาไปบัตรมันน้อย แต่นอกนะั้นเวลาพักนี่มันหลงยาวเพราะเราก็คือรู้บ่อยมันไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้ยาวๆก็ไม่ใช่เราไปเพงเงเงนะ่งไว้อะเวลาพักก็คือเราก็รู้ได้นะอ่ะเราก็ไปล้างหน้าแปรงฟันก็รู้ได้นะอุจละปัสสวะอ่านะกวาดพื้นถูพื้นอะไรมันก็รู้ได้นะมันก็ต้องปรับในชีวิตประจำวันเรานี่แหละความกูบาจายมาผู้ใดที่แม่จะรู้ในชีวิตประจำวันได้พวกนั้นโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยน้อยนะยากมากเพราะว่า ชีวิตในประจำวันเนี่ยมันมันมีมากกว่านะยิ่งกลับไปบ้านอะไรเนี่ยยิ่งชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องรู้นะไม่ว่าทิ้งไปเลยแต่ไม่ได้รู้แบบรู้ไปเพ่งให้รู้ตลอดเวลาแต่รู้แบบเออรู้แล้วก็กลับมารู้ใหม่เงี้ยมันเผลอก็ไม่ไเป็นไรตอนนี้กลับมารู้ใหม่อันนี้มันจะได้รู้เล่นบ่อยๆนะมันก็คือเราเรารู้ก็จริงแต่มันก็เผลอไปนะก็กลับมารู้แล้วกลับมานี่แหละการที่มันกลับมาบ่อยๆก็เรื่อนี่แหละคือส ต, ติแล้วเนาะ ตติคืออะไรตัวคือความระลึกได้นะมันก็เราคิดไปเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไปห้ามความคิดนะแล้วก็คือการห้ามความคิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ชาวพุทธทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมนิยมมากในการห้ามความคิดคือให้จิตสงบไม่คิดอะไรนี่นเป็นสมถะนะนั่นคือทําใจให้สงบแต่จริ ง, รงๆแล้ววิธีการเจริญสติก็คือเราตามรู้ไปเราห้ามความคิดได้ไหมห้ามไม่ได้แต่ก็คิดก็คิดได้นะอคิดได้ ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าเราเราตามรู้เราก็รู้ไปเออคิดก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปคิดลอยครั้งก็รู้ไปกี่ครั้งก็ได้นะลอยใครจะรู้สักสิครั้งก็ยังดีที่เรามาก่อนเราไม่รู้อะไรเลยนะพระลุงปฐมบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ใช่ไหมเมื่อเราคิดเราก็รู้เนี่ยจิตมันจะตื่นมาครั้งหนึ่งคือมันสะสมแต้มสะสมแต้มในการตื่นรู้ในการที่รู้ทั่วทันอันนี้คือส ต, ติคือการระลึกได้ระลึกได้เราคิดไปแล้วนะเมื่ติก็ค่อยๆโตขึ้นเมื่อเรา คิดบ่อยแล้วเรารู้ทันบ่อยคาราวนี้มันคิดไปไหนเนี่ยเช่นตอนนี้เราอยู่นี่เราคิดไปบ้านใจมันก็ไปบ้านใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ก็คือกลับมารู้กายปุ๊บอะไรมันรู้ก็คือใจมันรู้นะอใจมันรู้ใจก็กลับมาใช่ไหมอ่ามันใจไปแล้วก็กลับมาเนี่ยแหละคือการที่เขาไปแล้วก็กลับอันเนี้ยคือฝึกให้เขาจิตเขาตื่นรู้ตื่นรู้ในการที่กลับมาบ่อยๆนะเมื่อเมื่อเราตืน่นรู้เช่นบ่อยอ่าใจก็จะ อมันก็มีทักษะในการกลับมาบ่อยๆนะจากการที่เราไปสักชั่วโมงหนึ่งถ้าเมื่อเขากลับมาบ่อยๆเขจะเริ่มเร็วอัตโนมัติเองมันก็จําบ้านได้แล้วจาบ้านได้กลับมากลับมาไหนกลับมารู้นะรู้ตรงที่ใจใจมันรู้ใช่ไหมันการเคลื่อนไหวใจมันรู้นะแต่ถ้ากายมันเคลื่อนไหวใจไม่รู้มันก็ทําในความเคยชินใจก็ไม่กลับมาะใจมันก็ไม่กลับมาแต่ถ้ามันไม่เคยชินเออมันเคลื่อนไหวมันรู้ปั๊บเนี่ยอ แม้แต่เราพิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยใจมันรู้มันก็กลับมาทันทีเลยนะไม่ต้องสั่งว่าเออใจกลับมาแต่มันแค่รู้มันก็กลับมาแล้วมันคือรู้ก็กลับมาเพราะมันจึงรู้ว่ามันแค่ชีวิตเรามันแค่หลงแล้วรู้เท่านั้นเองมันไม่ได้ไปทําอะไรกับมันเลยมันแค่รู้มันก็กลับมาแล้วไม่ได้ไปตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราเรารู้ไหมรู้ไหมเท่านั้นเองนะถ้าเรารู้มันก็กลับมาแน่นอนถ้าไม่รู้มันก็หลงไปเนี่ยเพราะนั้นมันก็อยู่แค่นี้ว่าเราจะเลือกอะไรนะ เราเลืองรู้อะไรู้ที่กายก่อนนะยืนเดินนั่งนอนต่างๆเราเนี่ยก็คือกายแล้วก็ทรงยุวังสังฆาติคู่แขนเย็ดแขนเหลวซ้ายแรงขวาเดินหน้าถอยหลังก็คือรู้ที่กายก่อนใช่ไหมการที่รู้ที่กายนี่ก็เป็นเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ไปตั้งใจดูจิตไปเพ่งจิตเพราะคนที่ไม่ไม่ชํานาญนะไปคอยดูจิตไปเพ่งจิตเนี่ยมันมันไม่ค่อยดูจิตเนี่ยมันกลายไปไปไปเพ่งจิตเพราะไม่ตั้งใจดูนะตั้งใจดูจิตเป็นยังไงบ้าง อต้องไม่หลงนะต้องไม่คิดนะต้องอ่าต้องไม่โกรธอะไรเนี่ยพอไปตั้งใจดูจิตปุ๊บมันก็เลยแข็งมันก็เลยนั่นเลยนะมันก็ตึงแล้วก็เครียดแล้วก็มึนหัวใช่ไหมเราไปตั้งใจเขาเกินไปนะอะไรที่มันตั้งใจมันก็เป็นตันหาทั้งนั้นนะะไปบีบทันเขาเหมือนเราไปค่อยดูเด็กเล็กๆนะมันจะสนไหมไปคอยดูเด็ ก, เ, กนะดเด็กก็ซึมไปเลยเพราะว่าเราไปตั้งใจดูเ้าเด็กไม่กล้าไม่กล้าสนเนี่นเราเห็นแต่จริงๆเขาก็โซนแต่ก็ไม่กล้าสนนะ เพราะั้นวิธีการดูเด็กก็คือต้องแอบแบดูไม่ต้องไปตั้งใจดูแอบแอบทำเรืองดูนะเด็กก็จะโซนไปเด็กก็โซนเด็กก็นั่งนิ่งๆไม่ได้ก็โซนเล่นนู่นเล่นนี่เดี๋ยวก็ออกไปเดินข้างนอกไปวิ่งข้างนอกอันนี้คือทธรรมชาตของเด็กพ้นใจก็มันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะไปคอยตั้งใจดูมันก็ไม่ได้เด็กมันก็ซึมๆนั่น แ, แหละแต่พอเราเราก็มาลุก ม, มาดูกายก็ได้เมื่อเราดูกายกายกับใจมันจริงๆมันสัมพันธ์กันนะเมื่อเรารู้กายมันจะไปรู้ใจด้วย มันรู้กายแล้วก็มันก็เราไม่ได้ไปตั้งใจดูจิตแต่มันมันคิดปุ๊บแล้วก็รู้ทันนเพราะมันมันสัมพันธ์กันอยู่นะเพราะดูดูกายนี่ปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นดูปุ๊บเนี่ยจิตมันคิดไปปุ๊บเรารู้ทันรู้ทันได้ไวขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้เราเป็นเขย่าท่านรู้นะเขย่าท่านรู้อมันมีคําว่าท่านรู้อยู่นะมันก็มีคําว่ารู้อยู่เมื่อมันรู้เนี่ยก็เราว่ารู้มันจะแข็งแรงนะท่านรู้มันก็แข็งแรงนะมันแข็งแรงแล้วมันก็มีกําลังที่จะรู้ได้มากๆขึ้น รู้ได้บ่อยๆขึ้นจำเมื่อก่อนมันอ่อนแอมันก็รู้ได้น้อยแต่มันแข็งแรงมันก็รู้ได้บ่อยใช่ไหมต่อไปมันก็มันก็ค่อยๆโตได้เร็วถ้าเราอ่าไม่ได้ตั้งใจมันจะรู้ได้นะมันก็กลับมารู้ที่กายเออทำไมมันขยับมันก็รู้สึกตัวได้เดินไปเดินมาหยิบนู่นยิบนี่มันก็รู้สึกตัวได้ใช่ไหมนี่นก็คือมันเริ่มโตแล้วแต่มใหม่ๆก็ต้องไกล้ลายมันก่อนกลับมารู้บ่อยๆก่อนกลับมารู้บ่อยๆเออตรงนี้บาดพื้นนะรู้อ่เพลอกลับมารู้ใหม่อ่า ล้างจานเราก็รู้ได้นะเดินไกลๆก็รู้ได้นี่ยเป็นการฝึกให้เขาทานรู้เขาโตกันเรื่อยๆนะพอโตมันก็ขยับแข้งขยับขาก็รู้สึกอะไรก็รู้สึกนะแม้แต่กระพริบตาก็รู้สึกแต่ไม่ไปตั้งใจกระพริบตานะคือให้มันรู้สึกตาเนี่มันเป็นไม่ต้องไปตั้งใจอะไรทั้งสิ้นรู้สึกไปตามธรรมชาตินี่แหละตรงนี้มันก็อีกหน่อยมาสังเกตใจได้เองนะมันก็ไวขึ้นนะเพราะเรามีความคิดเราก็รู้ทันเมื่อเรารู้ทันความคิดได้เราก็รู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ เมื่อก่อนไม่มีความโกรธปุ๊บเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันก็เครื่องบินนะมันบินเข้ามาแล้วมันก็ทิ้งระเบิดตู้มอทิ้งระเบิดตู้มแล้วค่อยรู้นะแต่ตอนหลังมันก็เราพอมีสติดีแล้วแล้วก็มันก็ปมีเรดาร์นะเรดาร์มันก็มีรัศมีกว้างไกลพอสมควรเครื่องบินเข้ามาปุ๊บเข้ามาในรัศมีเราก็รู้ทันแล้วเครื่องบินเข้ามาแล้วนะมันก็มันจะมาทิ้งระเบิดเราก็รู้ทันนะตอนนี้มันก็ทิ้งระเบิดไม่ได้แล้วะเรามันก็ไวขึ้นเรื่อยๆนะคือมันรู้เท่าทันแล้ได้ไวขึ้น เล็กเน้อยก็รู้ทันมาก่อนโกรธแล้วอต้องให้โกรธแล้วให้รู้ใช่ไหมพอหลังมันก็เริ่มหงุดหงิดเริ่มขัดเคืองเราก็รู้ทันแล้วนะมันก็วัยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นความโกรธก็ทําอะไรแล้วไม่ได้นะอสมัยก่อนเราก็ทบรมปุ๊บเราโกรธเร็วแล้วก็ติดแนวลมแล้วก็อไปยึดแนวลมต่างๆแล้วไปเพ่งโทนคนอื่นใช่ไหมตอนหลังรู้ทันแล้วเอมันก็กลับมารู้ใจเราเองนะ้ันก็เบาลงเพราะมันมันกลับมาเนี่ยมันมันมันได้ตรงนี้ว่า สมัยก่อนคนก็มาด่าเรามาว่าเรามาตําหนิเราเราจะส่งจิตไปเพ่งเขาเลยว่าทำไมมาว่าเรามาด่าเราอ่ามาตําหนิเราเราไปเพ่งเขาเลยเพ่งต <laughs> ัวแล้วบางคนนี่เขาไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะคือเราส่งจิตตั้นอกไปแต่เมื่อเราการที่เรากลับมาที่จิตบ่อยๆเนี่ยมันจะชานานนะพอก็าเขาก็ทําอย่างเก่านั่นแหละด่าเราตําหนิเราเพ่งโทษอตําหนิเราเราก็เพ่งโทษเหมือนกันแต่มันก็รู้ทันอตอนนี้เรา เราเรามีอารมณ์แล้วนะเราไปเพ่งโทษแพ่งโทษนะจิตไม่จะกลับมารู้ใจเรากรรมไม่จะกลับมารู้ใจเราแทนขณะนี้กําลังโกรธแล้วนะมันจะรู้ๆแหละขณะนี้กําลังโกรธแล้วนะมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราเข้าไปในความโกรธแต่ตอนนี้เราเห็นความโกรธแล้วนะมันก็ไม่อาจจะโกรธเหมือนกันแต่มันก็เห็นความโกรธการที่มันเห็นความโกรธมันก็ใช้ได้ดีกว่ามันไม่เห็นใช่มเพราะเห็นความโกรธแลมันก็ลดลงไปนอนลงไปเองนะมันก็ไม่ไไมม่่เป็นความโกรธสมัยก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวมข้อคำเขียนว่า เห็นนะเห็นมันเห็นไม่เป็นนี่นะเห็นแล้วก็ไม่เป็นคือเห็นความโกรธแล้วก็ไม่เป็นความโกรธแต่มันจะเป็นหรือไม่เป็นจริงๆก็เป็นเรื่องของบันฑีตไม่เรื่องเรามันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันต้องไม่เป็นแต่สําคัญว่าเราเห็นไหมใช่ไหมเห็นแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมีสติดีแล้วนะถ้าเห็นก็ท่านก็ไม่เป็นนะฮะแต่เราจะไม่ถึงท่านเราเห็นแล้วก็จะเป็นได้แต่สําคัญว่าเราเห็นไหมเราเห็นก็พอแล้วนะอ่าเพราะเม่เห็นแล้วไม่อาจจะโกรธก็ยังไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไร ก็แล้วไม่เป็นไรก็เรื่องมันไม่เรื่องเรานะเพราะนั้นนี่ครูบาอาจารย์บอกให้เรารู้ซื่อรู้เฉยเฉยนะเพราะเรายังไม่เป็นแบบครูบาอาจารย์เราเห็นก็คือเรารู้ซื่อรรู้ซื่อรู้เฉยเฉยก็คือเห็นแล้วมันก็โกรธก็ไม่เป็นไรก็เรื่องมันไม่เรื่องเราก็รู้ซื่อนี่แหละไม่ใช่ว่าโกรธแล้วต้องหายโกรธนะมั้ยโกรธแล้วต้องดีโกรธแล้วต้องหายโกรธเราก็ไปจัดการมาอีกโกรธแล้วไม่ดีนะต้องจัดการให้มันหายโกรธอันนี้เรามันไม่รู้ซื่อไม่รับ แล้วนีเ่เราต้องอถ้าเรารู้ทุกซื่อรู้เฉยเฉยก็คือให้เห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงก็เห็นตามความจริงเช่นนั้นไม่ต้องไปจัดการเขาอถ้าเราถ้าเราต้องการเขาเป็นไปอย่างที่เราต้องการ น, นั้นก็เรียกเป็นสมถะก็คือเราจะไปบังคับกดคมจัดการเขาทั้งหมดเลยนี่แหละคือความทุกข์ความทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้เฉยเฉยนั่นเองนะเราเดาดีดดเราก็โกรธปุ๊บเราก็โอ้ไม่ดีแล้วนะทําไมเราไปปฏิทิ้องนานแล้วมันยังโกรธอยู่ มันน่าจะไม่โกรธนะเนี่ยอันนี้นะเราเรามีความทุกข์แล้วเพราะเพราะเราไม่รู้เฉยเฉยเราไปให้ค่ากับมันเองว่าเออเราไม่ดีนะมันน่าจะไม่โกรธนะหรือไม่ก็จัดการให้มันไม่โกรธเลยต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เรียกว่าไม่ <c oughs> ไม่รู้เฉยเฉยมันตรงนี้มีตัวเราแฝงอยู่ด้วยใช่ตัวเราเราโกรธใช่มจริงจริงแล้วเราไม่หน้าที่อะไร คือจิตนี่จริงๆแล้วมันมีหน้าที่คือรู้นะัมันไม่น่าไม่มีหน้าที่ไปโกรธไปรักไปชงังไปเกลียดไปหลงไปคิดไม่มีไม่ใช่หน้าที่ของจิตพระพุทนั้นคือการของจิตหมดเลยนะหน้าที่ของจิก็คือรู้รู้เท่านั้นเองเพราะฉนัพระพุทธเจ้าบอกเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์บอกแค่รู้นะรู้เท่านั้นเองนะรู้เนี่ยมันก็จบที่รู้แล้วใช่ไหมนอกนั้นมันจะโกรธหรือมันจะไม่โกรธมันเป็นเรื่องมันไม่เรื่องเราเรื่องเรื่องของใจไม่เรื่องเรานะ ถ nicht, ้าเราเข้าใจนี่มันจะวางได้เร็วมันเป็นเรืองกายของใจเป็นของชั่วคราวเป็นของมาแล้วก็ไปเป็นของเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่ให้ตัวไม่ให้ตนนะใจมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแล้วอาการของใจมันจะเป็นของเราได้อย่างไรนะถ้าเราเข้าใจนี้มันก็เออมันเป็นเรื่องมันนะไม่เรื่องเรานะอ่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเข้ามาในพระไตรลักษณ์ด้วยคือเห็นอนัตตาว่าเออความโกรธเป็นเรื่องของเขาเรื่องใจไม่เรื่องเราเราไม่น่าที่รู้ก็จบที่รู้แล้วเพราะมันรู้แล้วมันจะโกรธต่อไม่โกรธต่อไม่ใช่เรื่องเรานี่แหละเขาเรียกว่า รู้ซึ่อๆรู้เฉยๆมันไม่ต้องจัดการอะไรแล้วมันก็สบายมันก็เลยไม่ทุกข์ใช่ไหอทุกข์ก็เป็นเรื่องมันเองไม่ใช่เรื่องเราโกรธแล้วไม่ทุกข์ก็เรื่องมันไม่เรื่องเราเราแค่รู้ก็จบแล้วรู้มันทุกข์ก็จบตรงนั้นแล้วพอใจเราก็เลยไม่ทุกข์ไงพอใจเราไม่ได้ไปยึดอะไรเลยมันก็ปล่อยก็วางก็ไม่ไม่ติดไม่คล้องไม่ฆาในรมทุกอย่างเนี่ยมันตรงนี้มันสําคัญมากว่าเราเมื่อเกิดอะไรขึ้นในใจแล้วเราไปให้ค่าก็ไหมหรือหรือหรือไปให้ความสําคัญ <c oughs> ไปให้ความสําคัญเนี่ยเขาไหมนะเมื่อเราไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญเขาจากไปเองนะเขาไปนะเหมืนกัคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยเราก็เชิญเขาเข้ามาอนะมาเลียกดูปูเสือมากินอาหารนะที่หลังมาเขาก็มาบ่อยๆนะมาม า, ม า, ม, ามาแวะบ่อยๆนะหรือเข้ามาแล้วก็ไปไล่เขาหนีไปเขาก็ไม่พอใจเข้ามาอีกแต่เขาผ่านมาแล้วก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไรเขาเขาก็ผ่านไปเองอะ่ะเขาเขาก็ไม่อยู่กับเราก็ไปเองอารมณ์ต่างๆเหมือนกัน าถ้าเราเกิดขึ้นเราเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้แต่เกิดขึ้นเราก็รู้เฉยเฉยรู้ซืดอๆนี่แหละคือการไม่ให้ค่าไม่ไม่ให้ความสําคัญเขาก็ไปเขาเองนะมันก็กลายว่ามันก็ไปเมื่อมันไปก็คือมันมันก็เล่าเป็นผู้ดูไม่เป็นแบบที่ครูบาอาจารย์บอกเราก็เห็นแล้วก็ไม่เป็นเพราะเราไม่ให้ฆ่ามันก็ไม่เป็นใช่ไหมบางคนบอกไอ้ทําไมมันยังโกรธอยู่นะมันโกรธก็ไม่เรื่องมันไม่เรื่องเรานะอ่า๋ยวมีคนถามหลวงปู่ดูลงปู่จริงๆหลวงปู่ดูลงคือ คนก็เข้าใจาว่าท่านไป็นพระริยเจ้าระดับสูงแล้วถามามีใครละความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่ไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมิตรู้ท่านแล้วก็ดับไปแล้วก็าำหลวงปูม่มีความโกรธไหมหลวงปู่ว่ามีแต่ไม่เอายังไงมามก็คือมันมีได้แต่ว่าท่านไม่เอาหมายความว่าอะไรมันมีแต่ว่าท่านไม่ค่าไม่สนใจนั่นนี่การไม่เอาก็คือลุยเฉยนั่นเองนะจริงๆริงลุยเฉยมันมันสุดยอดอยู่แล้วนะสุดยอดแต่จริงๆริงทำท่านมีไหมท่านไม่มีหรอก แต่ท่านเห็นมันนะท่านแค่เห็นมันนั้นนั่นเองใช่ไหมเพราะนักครูบาอาจารย์จึงบอกว่าเห็นไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังรหัสสไนต์ตรงนี้ให้ดีก็คือครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นก็คือท่านเห็นความโกรธเหมือนกันะแต่ว่าท่านไม่เป็นนะเห็นไม่เป็นเห็นนะมันก็ลุงปูดูเลยเห็นไม่เป็นเพราะไม่ใช่ว่าเราไปบัดแล้วต้องไม่มีความโกรธแต่มันมีแล้วก็คือเราเห็นไม่เป็นก็คือเห็นมันนั่นแหละเราไม่เอามันไม่สนใจมันไม่ค่าหรือไม่ความสําคัญมันมันก็ผ่านไปอนะ มันไปกับมันเองนั่นแหละมันไม่ได้ยุกมันเพราะในพจนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็มันก็ออกจากความทุกข์ได้ง่ายนะแล้วจริงๆมันก็บรรลุทำอะไ้ไม่ยากเพราะว่าแต่การที่เราแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันก็เท่าเข้าถึงระดับความได้รู้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือมันจะเป็นอะไรก็ได้มันจะโกรธก็ไม่เป็นอะไรไม่ไม่เป็นกับมันมันจะรักก็ไม่เป็นกับมันไม่เป็นอะไรกับมันเลยนะไม่อะไรกับมันทั้งนั้นอันนี้ก็คือมันมันออกจาก ความปรุงแต่งได้นะมันก็มาเข้าสู่เวลาคะคือการปล่อยการวางกันมียึติดนี่แหละนี่เป็นหนทางแห่งพันิภชาเลยนะตรงเนี้ยมันไม่ใช่เล็กๆนะมันเกิดการปล่อยการวางกันไม่ไม่ยึดติดก็คือมันจะคลายออกจากตันหานั่นเองนะความยึดมันมันก็คลายไปด้วยนะคราวนี้มันปล่อยตรงไหนมันจริงๆไม่ต้องไปปล่อยอะไรนะมันไม่ต้องไปวางอะไรแค่ระวางตัวเราเนี่แหละวางตัวตนี่แหละไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันเลยไม่ต้องไปต้องการดี ไม่ต้องการบรรลุอะไรไม่ต้องการไปนิพพานไม่ต yeah. ้องการเป็นพระริยาเจ้านี่มันเป็นการวางจริงๆมันไม่มีตัวตนไปเอาแล้วมันก็วางหมดนะแต่เมื่อใจที่มันต้องการอะไรอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรมันยังมีใจที่ดิ้นรนอยู่นะอันนี้คือความทุกข์แล้วก็มีตัวเราอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะเนาะแต่เมื่อวางจริงๆแล้วคือไม่ต้องเป็นอะไรนี่แหละไม่ต้อเจอความทุกข์ได้จริงๆแล้วมันก็าหมดกิเลสได้ในตรงนี้นะมันก็ตัด ตัดขาดจากความมิ่มั่นถึงมันในความเป็นตัวตนเมื่อวางตัวตนได้ทุกอย่างก็จะวางหมดไปเองเนาะก็เข้าถึงพระนิพพานในที่สุดเนาะเพราะนั้นในใช้สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณบระไตรน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้ทุกด้านโดยเร็วผ่านทุกท่านเทอ